เกิดความเครียดอยากว่าวางใจให้สบายนั่งอยู่ตรงไหนก็ให้สบายที่ตรงนั้น <c oughs> เพราะว่าต้องการที่จะให้เป็นกันเองนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป เ, เพราะอะไรเพราะว่าการที่มาเรียนสมาธินั่น e e อต้องการที่จะทำให้ใจนี้สบาย ไม่เกิดความเครียดเมื่อไม่เกิดความเครียดก็เท่ากันกับว่าเราตั้งฐานพาชนะคอยรับเหมือนกับฝนตกจากท้องฟ้าถ้าเราไม่หงายพลาดชนะพาชนะนั่นก็น้ำฝนที่ตกลงมาก็รับไม่ได้ทีนี้การหงายพาชนะนั้นเหมือนกับหงายใจของเรา หมายถึงว่าเราทำเป็นความปกติคำว่าปกติก็คือว่าทำใจให้สบายเพราะว่านักศึกษาครูสมาธิทั้งหลายวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในการศึกษาในเรื่องของสมาธิ เราตระหนักดีว่าจิตใจเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากการดาเนินกิจการงานตลอดจนถึงความเป็นอยู่ของชีวิตจําเป็นต้องอาศัยสมาธิเป็นส่วนแห่งการประครับประคองให้มีความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าความเสียหายตลอดถึงความไม่ ประสบผลสําเร็จนั้นเพราะขาดสมาธิการขาดสมาธิทําให้เกิดความบกพร่องในกิจกรรมทั้งหลายมากมายอันเรื่องของการขาดความรอบคอบจนเกิดความผิดพลาดหรือพลาดพลั้งนั้นเกิดจากการขาดสมาธิบางครั้งสมาธิไม่เป็นการเพียงพอ ก็ทำให้เกิดขาดกําลังใจความย่อท้อต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้สิ่งเหล่านี้เราไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางคนนั้นเมื่อความภาคครั้งเกิดขึ้นแบบซ้าซ้อนกระยิ่งทําให้คิดมากจนไม่เป็นอันกินอันนอน ในที่สุดก็เกิดการทุวผลลภาคของร่างกายและจิตใจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหาทางส่งเสริมสมาธิเพื่อเพิ่มพูนพลังจิตให้บังเกิดขึ้นซึ่งความสงบสุขภายในแก่ตนเองดังนั้นณ น, น, นครธรรมแห่งนี้จะมีการเปิดเรียนเพื่อศึกษา ในเรื่องสมาธิอย่างกว้างขวางโดยการวางแนวปฏิบัติแบบง่ายาน่าเพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติได้แต่อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้เป็นการเป็นงานขึ้นมาได้นั้นจำเป็นต้องมีแนวแห่งการปฏิบัติเป็นระบบงานขึ้นวิทยาลัยครูสมาธิจึงจำเป็นต้องสอนให้นักศึกษา ศึกษาแบบและเอียดทีทวนทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นเวลาที่หลวงพ่อจะสอนไปตามขั้นตอนนี้บางทีคนที่ทำไปไกลๆแล้วก็คิดว่าทำไมหลวงพ่อจึงมาสอนตรงนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเนี่ยต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยเดินไปพร้อมกัน ไม่ให้ใครไปก่อนไม่ให้ใครไปหลังเราไปพร้อมกันเหมือนกับเราขึ้นเรือหลวงพ่อเป็นกัปตันขึ้นเรือเราขึ้นจากนี่ไปสิงคโปร์ไปไปด้วยกันนอนก็ได้นั่งก็ได้คุยกันก็ได้ทุกคนไปถึงสิงคโปร์ด้วยกันหมดลำบากก็คือกัปตันไม่ได้หลับไม่ได้นอนคนเดียว เอทั้งนี้เพื่อทําความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงในเรื่องของสมาธิเพราะว่าการสอนที่จะต้องสอนตามขั้นตอนเนี่ยเพื่อให้เข้าใจข้อเท็จจริงของสมาธิที่มันยังตกหล่นที่มันยังเครือบแคลงที่มันยังไม่คิดว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรอย่างเนี้ยเราจะได้ทําความคล่องใจนี่ ให้หายให้หมดจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้อนหลักวิชาการเข้าสู่จิตใจจนมีความรู้ในการที่จะสอนคนอื่นได้น้นหมายความว่าการที่มาเรียนนั้นไม่ได้มาเรียนเอาเฉพาะตัวแต่ว่าเราเรียนเพื่อที่จะไปสอนคนอื่นให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้น คนทุกนักศึกษาไม่ควรที่จะดูถูกตัวเองว่าเราแค่นี้หรือจะริไปสอนคนอื่นไม่จําเป็นต้องไปดูถูกตัวเองเช่นนั้นเราเป็นฆราวาสเราสอนพระได้พระสอนเราได้ธรรมะเป็นของกลาง <c oughs> แม้ว่าจะรู้สึ ก, กว่าการศึกษาสมาธิจะหนักไปหน่อยแต่ความรู้ ที่ให้แก่นักศึกษาในขณะนี้เป็นความเพียบพร้อมจริงๆหมายความว่าการที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษาเนี่ยจะให้แปะแปะแม่แ ม, แม่ไม่ได้เราจะให้เต็มภาคภูมิให้มีความรู้สามารถที่จะเข้าใจซึ่งเราก็จะได้เข้าใจในอันดับต่อไป <c oughs> หากทุกคนมีความตั้งใจพยายาม ทีนิดพิจารณาจะมีความเข้าใจอย่างทราบึ้งและจะขยายภูมิของตนเองไปได้อย่างกว้างขวางคือจุดหนึ่งที่หลวงพ่อได้แนะนำเป็นหลักสูตรเป็นหลักวิชาการแต่บุคคลที่มีสติปัญญาอาจจะขยายความจากนี้ออกไปอย่างกว้างขวางได้ <c oughs> เนื่องจากหลวงพ่อได้พยายามเน้น ดูความเป็นหลักจุดที่หมายหมายความว่ากำหนดจุดที่จะต้องควรรู้และควรเห็นไม่ใช่รู้อย่างเดียวเอาไปเห็นด้วยเช่นอย่างว่ารู้ว่าอันนี้อยู่ในป่าไม่ใช่อยู่ในป่าอย่างเดียวเอาขึ้นเดินขึ้นดอยอินทนนท์ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ให้นักศึกษาขึ้นอย่างเดียวไม่ใช่เอาเปรียบ หลวงพ่อเป็นหัวหน้าเดินไปเลยนักศึกษาอยู่ในที่นี้อายุก็ยังน้อยกว่าหลวงพ่อเท่านั้นจะมากเข้าการก็คงคุณอำนวยสุวรรณเรียแต่ถึงยังไงก็ยังน้อยกว่าหลวงพ่ อ, อหลวงพ่อนาหน้าทุกประเด็นที่ตั้งขึ้นเป็นหลักการหลักสูตรนั้นได้ทำสิ่งที่ยากให้เป็นของง่ายเราเคยคิดว่า สมาธินี่มันยากโอ้โหต้องละลูกละเมียละทรัพย์สินสมบัติเข้าปลาเข้าดองอันนั้นมันเกินไปไม่ถูกต้องะฉะนั้นสิ่งยากที่เรียกว่าเป็นสมาธินี่หลวงพ่อจะเปิดเผยออกมาให้มันง่ายนิดเดียวเพราะมาคำนึงถึงนักศึกษาทั้งหลายทั้งการและเวลาอันมีความจำกัด นักศึกษาทั้งหลายมีกิจการงานหน้าที่เยอะแยะที่จะต้องไปทำธุรกิจที่จะต้องไปทำหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้นำครอบครัวเพราะฉะนั้นจึงจำกัดเวลาให้พอเหมาะพอดี <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามทุกขั้นตอนแห่งการสอนนี้ได้ค้นคว้าหาจุดบกพร่องแก้ไขจนเป็นหลักการได้ เป็นอย่างดีเพราะว่าได้แก้ไขมาแล้วคณะเราที่ตั้งใจมาเรียนจะเป็นผู้ได้รับผลสมความมุ่งหมายเนื่องจากอามาได้ย่อการศึกษาสมาธิจากยี่สิบปีมาเหลือเพียงร้อยี่อิวันาการที่เราจะย่อมาอย่างนี้นะ่ะพูดแล้วเหมือน ก, นกันกับว่าคนพูดเล่น หรือว่าพูดปวดที่จริงแล้วไม่ใช่แจ่นั้นเพราะว่าในปัจจุบันนี้ไฮเทคต่างๆที่เขาทำขึ้นเขาย่ออย่างไปอเมริกาเนี่ยแต่ก่อนใช้เวลาสามเดือนเวลานี้ย่ออีกสี่ชั่วโมงไปถึงแล้วย่อจากสามเดือนมาถึงอีกชั่วโมงเนี่ยไม่ถึงวันเนี่ย ย่อดได้ยังไงเหมือน ก, นกันกับคนที่สมัยก่อน เ, อเราออกจากกรุงเทพจะไปโคราชใช้เวลาเกือบเดือนเดี๋ยวนี้กี่นาทีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะย่อสมาธิมาจากยี่สิบปีมาถึงร้อยยี่สิบวันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ แต่หลักการของสมาธิทั้งหลายแหล่นั้นเมื่อย่อลงมาแล้วก็ยังมีอยู่ครบถ้วนไม่ได้ขาดตกบกตร่องแต่ประการใดอันนี้ฟังเอาไว้พอเวลาเรียนแล้วเราจะรู้อาตมาคำานึงถึงโลกาติวัตที่เขาพัฒนาจากช้ามาเป็นความเร็วจากคนทำงานแบบเป็นหลายปีถึงสำเร็จปัจจุบันเขาได้แก้ไขเพียงไม่กี่ชั่วโมง ด้วยอาศัยไฮเทคแม้สมาธิก็ควรจะเป็นเช่นนั้นทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์นั่นเองดังนั้นผู้ที่ทำงานก้าวหน้าไปเร็วก็จะเป็นผู้ชนะผู้ทำงาน อ, อไปช้าก็จะเป็นผู้แพ้และเป็นผู้เสียเปรียบผู้ที่ทำงานได้เร็วเพียงว่าชนะเขาก้าวเดียว ก็ถือว่าไดเหรียญทองแล้วก้าวเดียวนะเนี่เพราะฉะนั้นความเร็วจึงต้องถือว่าเป็นหลักการเนี่ยสมาธิแม้จะดูเป็นการยากลำบากลึกลับเป็นนามธรรมเมื่อมีความรู้ความสามารถมีการพัฒนาย่อมสามารถที่จะทำให้เกิดความเร็วขึ้นมาได้เมื่อการค้นพบลู่ทาง อันจะบังเกิดความเร็วทันท่วงทีมีประสิทธิภาพนำลู่ทางนั้นมาแนะแนวคือแนะแนวให้แก่ชาวโลกักนกระทั่งบังเกิดผลมหาสาลเนื่องจากเขารู้ว่าทำอย่างไรจึงจะทำสมาธิให้ได้ผลเร็วและมีประสิทธิภาพคือลู่ทางอันนี้หลวงพ่อ ศึกษามาเป็นระยะเวลาห้าสิบปีได้ดำเนินการมานานแล้วเึ็นได้มาทำหลักสูตรอันนี้ขึ้น <c oughs> อย่างไรก็ตามไม่ว่าที่เราจะทำอะไรทั้งพวงนั้นในปัจจุบันทุนเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันเพราะหากหาทุนไม่ได้แล้วแม้หลักการจะดีเพียงใดก็ไปไม่ไหว การที่ชาวโลกพากันให้ความาสุขทางกายนานับประการในปัจจุบันเป็่ต้นว่าการสร้างโรงพยาบาลการสร้างโรงแรมาการสร้างบ้านเรือนการสร้างาทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นรถยนต์รถไฟอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้พัฒนาเพื่อให้บังเกิดขึ้น ซึ่งความต้องการของร่างกายเขาก็ยังลงทุนไปด้วยเงินจำนวนล้านล้านล้านเรก็เรียกกัไม่ต้องนับกันล ะ, ะนี่ก็พูดกันทั่วโลกเขาถึงจะมีรถไฟได้ตามปรารถนาเขาถึงจะมีโรงแรมได้ตามความปรารถนาถึงจะมีบ้านเรือนได้ตามความปรารถนาส่วนเรื่องของสมาธิอันถือว่า สำคัญมากในปัจจุบันยังไม่มีการลงทุนมากเท่าไรจึงทำให้เกิดความไม่พัฒนารวดเร็วขึ้นมาดังใจนึกหากจะมีคนพูดว่าสมาธิต้องสละไม่คิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองย่อมถือว่าพูดผิดเพราะเงินทองเป็นตัวสื่อที่จะต้องใช้ในกิจการอย่าพูดมากเลยเพียงเก้าอี้ตัวเดียวก็เป็นเงินแล้ว หรือแสงสว่างก็เป็นเงินหรือเสียงต่างๆก็เป็นเงินถ้าไม่มีพวกเหล่านี้จะทำการเรียนการสอนได้อย่างไรดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีกำลังเงินส่วนหนึ่งที่จะเอามาพัฒนาในทางการทำกรรมที่ให้บังเกิดขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะตั้ง สถานแห่งนี้เป็นสถานที่เรียรายหลวงพ่อไม่มีความปรารถนาที่จะให้เป็นสถานที่ว่าทําอะไรก็จะต้องเอาเงินเป็นใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่พูดนี้ต้องการจะให้รู้ว่าอย่างที่หลวงพ่อไปที่แอดมิรันต์ประเทศแคนาดาไปพบ อ, อินเทอร์เนต็ตก็ไปกดอินเทอร์เนต็ตกับเขาก็รู้ว่า เมื่อวานนี้รัดเทนเลอร์มันตกจากทางด่วนที่เมืองไทยเพียงช่วามองเดียวอินเทอร์เนต็ตมันไปอยู่ที่อแอดแมนตันแล้วบอกว่าน้าท่วมกรุงเทพตรงนั้นต้งนั้นตรงนั้นต้งนั้นไปอยู่ที่อินเทอร์เนต็ตหมดและอินเทอร์เนต็ตนั้นมันก็ต้องใช้เงินอยู่ดีนีฉะนั้นแล้วจะไปรู้ได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้เรา ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในณที่นี้เพราะว่าณที่นี้เรามีพร้อมแล้วแสงไฟเรามีพร้อมเสียงเรามีพร้อมเก้าอี้เรามีพร้อมทุกอย่างมีพร้อมมีพร้อมเพื่อที่จ ะ, ะบริการให้นักศึกษาได้ร่ำเรียนเอาสมาธินี้เกิดมาให้เป็นประโยชน์ให้ได้ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตาม บัดนี้เราได้พัฒนามาถึงความจริงดังปรากฏอยู่ในขณะนี้แล้วเท่ากับเราพร้อมแล้วที่จะดำเนินการเรียนการสอนสมาธิตามแนวทางของวิทยาลายครูสมาธิหน้าสถาบันพลังจิตานุภาพโดยอาศัยความพร้อมนี้ที่จะทำการผลิตครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธิขึ้นมา เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อโลกในคณะของเราเนี่ยเมื่อหากว่าเรียนสำเร็จแล้วเราสามารถที่จะไปสอนบุคคลผู้อื่นได้บุคคลผู้อื่นก็จะต้องไปสอนคนอื่นต่อไปได้เราจะเป็นจุดสําคัน์ที่จะให้เกิดขึ้นซึ่ง เ, เรื่องของสมาธิที่จะทำให้เป็นของง่ายที่สุดขึ้นมาเพราะว่า อจุดประสงค์ของสมาธินั้นอยู่ที่ส่งเสริมพลังจิตพอาการส่งเสริมพลังจิตเกิดขึ้นบุคคลผู้นั้นก็ได้กําลังใจขึ้นคนที่ขาดกําลังใจแล้วทําอะไรก็ทําไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกําลังใจไม่มีแล้วเนี่ยจะเดินมาจากเอุตติมาถึงนี่ก็เกือบไม่ไหว แต่ถ้ากำลังใจมีแล้วไปถึงอเมริกาก็ยังไหวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอะไรที่จะมาทำให้พลังจิตเกิดขึ้นก็คือสมาธิสมาธิจะทำยังไงวิทยาลัยครูสมาธิสอนให้แล้วสมาธิจุดประสองค์อะไรวิทยาลัยครูสมาธิบอกให้และเวลาที่ เราไปทำสมาธิได้มาเช่นเราไปศึกษามากับพระอาจารย์ต่างๆเป็นต้นว่าเราไปนั่งสมาธิเมื่อไปนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็สบายพอสบายเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านเขาก็ถามเราว่าคุณสอนสมาธิชันได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้พระอาจารย์ไม่บอกโดยมาก ก็จะเป็นอย่างนั้นแม้แต่หลวงพ่อเองก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันใครมาที่วัดทำรรมงคลมาถึงหลวงพ่อสอนสมาธิให้หน่อยเนีข้างๆนี่ก็มาสะกีดอีกแล้วบอกว่าจะขึ้นบ้านใหม่ดูเลิกให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปสอนอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวคนนี้ก็บอกว่าผมยังนั่งสมาธิเป็นอย่างนี้ช่วยช่วยนั่นให้หน่อย อ้าวหลวงพ่อเจอมว่าถนอยครับอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อเอาเวลาที่ไหนก็ไม่มีาะฉะนั้นในเมื่อหลักวิชาการต่างๆที่หลวงพ่อได้ร่ำเรียนมาอยู่ในตำราที่เอามากันอยู่ที่นี่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยกลัวว่าวิชาการเหล่านี้เสียไปเปล่าๆบางทีเอาไปสอนพระ ถ้าก็สึกหนีซะอย่างนี้สอนไปสิบองก็หมดไปทั้งสิบองยี่สิบองก็หมดไปยี่สิบองก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อกเก่งได้เอามาเขียนเป็นตำราแล้วก็มาสอนโยมไม่ใช่สอนนักศึกษาออสอนนักศึกษาที่เป็นคาราวะเพราะว่าคาราวาก็คงสึกไม่ได้แล้ว ไม่มีทางสึกละเพราะฉะนั้นจับดัดเยียบให้เพื่อที่จะได้รักษาอของดีอันนี้ไว้ให้และจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างที่เวลานี้เราต้องการอยากจะให้ไปสอนพวกนักเรียนนักศึกษาเราก็หาครูบาอาจารย์ไม่ได้นักเรียนนักศึกษาจะไปทำสมาธิก็ไม่รู้จะไปทำยังไง เมื่อนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันเด็กๆมันก็ต้องหาสิ่งไหนที่มันจะเพลิดเพลินหาเพลิดเพลินอะไรไม่ได้ก็กินยาเสพติดซะในที่สุดถ้าเป็นลูกใครหลานใครก็เสียใจตลอดชาติแต่ถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่เป็นครูสมาธิแล้วอย่างนี้ออกไปสอนตามโรงเรียนพวกเหล่านี้ มันมาได้รับความเย็นใจสบายใจในช่วระยะมันก็คิดได้เพราะว่าการทำสมาธินั้นเป็นเรื่องที่จะส่งเสริมพลังจิตไอการที่ไปกินยาเสพติดก็ดีกินเหล้าเมายาตลอดจกนกระทั่งการเที่ยวเตรดต่างๆเพราะพลังจิตไม่มีมันขาดไปแต่เมื่อเราเสริมพลังจิตให้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งย่อยธรรมดาอันนี้เราพูดไว้เท่านี้ สาวให้รู้ว่าการที่พวกเราได้มาเรียนในที่นี้แล้วนั้นไม่เฉพาะณสถาบันพลังจิตตานุภาพนี้อาศัยความพร้อมทำการผิดครูบาอาจารย์สมาธิขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกไม่เฉพาะชาวไทยชาวพุทธเท่านั้นโดยความหวังของหลวงพ่อ ต้องการครูอาจารย์ให้มากที่สุดแล้วแหละไปแนะนำให้บังเกิดสมาธิโดยทั่วไปทำให้มหาชนได้พลังจิตเพิ่มขึ้นจนควบคุมจิตใจของตนได้ความร่มเย็นเป็นสุขในโลกนี้ก็จะเกิดขึ้นถือว่าเป็นสันติภาคที่ถาวรสวัสดี